เลขสองเป็นน er like. ี้นีกออกมาอันนั้นคือมายนี้เลขสองพอเป็นเลขสามปั๊บคุณมาตรงนี้แล้วกลับมาตรงนี้เข้ามาอนิดหนึ่งึ้นมาตรงนี้เป็นเลขสามพอเป็นเลขสี่ปั๊บคุณดึงมาตรงนี้ใช่ไหมพอเป็นเลขห้าปั๊บมันเกิดการพ่าพอเป็นเลขหกปั๊บมันเกิดมาเป็นนี้เข้ามาหางเลขห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 มันก็ใช่ไหมลักษณะของเปลวไฟซึ่งมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็มาดัดแปลงเอาสิ่งที่มันกลมมันงออะไรทั้งหลายเนี่ยออกมาเป็นเป็นเลขไทยใช่ไหมเพราะนั้นก็ตั้งแต่เนี้ยคุณอาจจะประยุกต์มาจากหนึ่งสองมันก็มาจากไอ้พวกงีง๊ ก, กงอทั้งหลายในลายไทยนั่นแหละเป็นลายเปลวลายกระดกต่างๆคือลายพระอาทิตย์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 เพราะนั้นเองเราก็อยากจะให้มาฝึกเพื่อปรับจิตของเราให้ตรงแต่จิตของเรามันจะตรงก็ผ่านร่างกายที่ตรงก่อนนะฮะดังนั้นถ้าเราหาความผ่อนคลายหาสูงกลางไม่เจอนจิตมันก็จคตงอไปตามอะไรอํานาจของเวทนาลงไปทางสุขบางลงไปทางทุกบ้างลงไปทางสุขมันไปทางนี้ลงไปทางทุกมาทางนี้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 ลัศมีแห่งว่าผลนิพพานก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราตรงนี้ จ, จึงเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเสมาธรรมจักรใช่ไหมกลุ่มธงเสมาธรรมจักรและในธรรมจักรนี้ตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นกี่แฉกแปดแฉกใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นวงของเวียนว่าตายเกิดมันจะแบ่งเป็นสิบเอ็ดหรือสิบสองแฉกได้แก่วบบงของปะิจั่มบวนั่นเองก็จะแบ่งเป็น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 มันจะไปทางนี้ที่จะไปทางนี้หรือคุณจะไปทางนี้ต้องเกิดตาก่อนเรียกว่าธรรมจักษุและตาที่จะเป็นธรรมะจักษุได้ต้องจํากัดหรือว่าเป็นญาณสองปัญญาสามวิชาสีอะโลกะตัว น, นี้ก็คือธรรมจักสุจักขุงอุทาปฏิญาณังอุทาปัญญาอุทาปฏิวิชาวิทาอโลโกอุทาปฏิ อันนี้คือรู้รู้รอบรู้หลักการทั้งหมดแล้วก็สว่างสวยอโลอโลกาเรีว่าสว่างสวยคือปัญญาคือญาณปัญญาหรือวิปัสนาญาณอะไรก็แล้วแต่ในญาณทั้งสในธรรมจักรจะต้องการให้เกิดธรมธรมจักสุและธรรมจักสุเกิดจากอะไรก็เกิดทั้ง4ตัวนี่เอง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 ผ่อนคลายและสบายถ้าปรับผิดเราจะรู้สึกเครียดและกลิ็งไม่สบายทั้งกายทั้งใจเพราะฉะนั้นถูกผิดนั่นเราสามารถตัดสินได้โดยเองไหมไม่ต้องไปถามพระพูทธเจ้านะท่านท่านมันมีอยู่แล้วในใกายในใจของเราแล้วทําไปแต่ถ้าหากว่าผ่อนคลายสบายเกินไปเป็นไงสุดตุงไปทางกลามะสุขานุ ก, การนิโยกละแล้วตึงเกินไปจนทนไม่ได้เป็น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 จนป่านนี้เขายัางทำอยู่แต่หลวงพ่อออกตรงนั้นมาตั้งนานแล้วหลายปีนะ <c oughs> ก็มาแปลงตัวที่อยู่ในสุนมุกให้เป็นความจริงเป็นแัจริเป็นประมัตนะอันนั้นเองตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะ <c oughs> ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจวันนี้ที่เราจะต้องไปศึกษาเรียนรู้ความจริงจากตัวเองแล้วก็เน้นว่าทำแต่พอดีและจะไม่มีปัญหา